หรืศรัทธาญาติโยมจะมีการไหว้พระรับสินไหมเนี่ยหรือจะเอาเพียงแค่นี้หรือจะพูดไปเลยคงไม่มีผมหลังจากเทจกพจบก็คารวะจบ้วคงจะเลิกกันนะอ่าสินก็ให้รักษาสมาทานเอาก็แล้วกันนะสินก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวัดสินพวกเราเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์มานานเท่านานเเราละลึก ถึงพระพุทธเจ้าของเราอย่างพระเวชสันดรท่านไปอยู่ในป่ารงพงไพยท่านก็ไม่ได้สมาทานศีลกับพระองค์ไหนไม่มีพระดูสีองคไหนไปให้ศีลท่านท่านเป็นผู้สมาทานศีลเองท่านเป็นผู้รักษาศีลเองท่านรักษาศีลของท่านเองสมาทานก็เป็นศีลอย่างพระมหาชนกอย่างเนี่ยที่พวกเราได้ศึกษาใน ประวัติของท่านท่านก็ว่ายน้ามหาสมุทรทะเลพอเห็นพระอาทิตย์จะตกดินพระจันโผล่ขึ้นมาท่านก็รู้ว่าเออวันนี้เป็นวันเดือนเพนพระจันทร์เต็มดวงเป็นวันพระเป็นวันอุโบสถของเราจากนั้นท่านก็น้ำอมน้ำบ้วนปากให้สะอาดในเมื่ออมน้ำปากให้สะอาดเรียบร้อยท่านก็สมาทานศีล ข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถเพราะวันนี้เป็นวันอุโบสถของข้าพเจ้าเพียงแค่นั้นก็เป็นศีลแล้วเพราะนั้นรักษาศีลไม่ยากถ้ารู้จักวิธีการรักษาไม่จําเป็นจะต้องมาขอจากพระอย่างที่มาขอจากพระก็คือมาให้พระสงฆ์เป็นสักขีพยานเท่านั้นเองถ้าหากว่าเป็นสักขีพยานแล้วมากโหกหทั้งพระอีกว่าจะรักษาศีลตลอด วันตลอดคืนพอรักษาไปหน่อยนึงกับไม่ตลอดคืนอีกโกหกทั้งตนเองโกหกทั้งพระที่เป็นสกิปยญญาในแกเราอีกเพราะนั้นพวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นให้พวกเราสมาทานสินให้หนักแน่นสินพื้นฐานของคุณงามความดีเพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราก็คือสินสมาธิปัญญานี่ะวันนี้น เป็นวันที่เริ่มที่จะมีงานวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันงานวันสิ้นสุดของงานคือวันเป็นงานวันประชุมเพลิงของท่านพระอาจารย์ชิดทิตาจิตโตเจ้าอาวาสวัดเขาค้ออำเภอํ a หนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์อย่างท่านมรณาภาพก็ได้พูด ให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังพอสมควรในประวัติของท่านก็มีเพราะนั้นท่านได้มรณาภาพเมื่อวันที่18ตอนเย็นแต่การมารณาภาพของท่านก็ผิดแปลกแตกต่างก็คือการประสบอุบัติเหตุแต่ว่าการประสบอุบัติเหตุของท่านก็เป็นที่สลดสังเวชใจสำหรับพวกเราแต่ว่าการ ประสบอุปัเหตุของท่านก็คือท่านไปดูงานเรื่องสถานีวิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตาอันนี้แปลว่าถ้าจะว่าไปแล้วท่านมรณะภาพหรือว่าไปถึงจุดจบจุดนั้นก็เป็นการมรณะภาพด้วยศักดิ์ศรีถ้าว่าเป็นตำรวจทหารที่มรณาภาพเ้าค ง, งจะมีธงชาติห่อหุ้มศพว่านั้นท่า แต่อันนี้พันธุพระอาจารย์ชิดมรณาภาพนี่ก็หลวงพ่อว่าพวกเราที่เป็นพี่พี่น้องๆก็ควรจะให้การสนับสนุนหรือว่าให้การให้ความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าท่านตายต่อหน้าที่ท่านตายตายในหน้าที่ที่ท่านจะไปช่วยสถานีวิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตาที่จังหวัดประจวบ ที่สถานีแห่งนั้นเป็นสถานีที่ฟ้าผ่าฟ้าผ่าแต่ท่านเข้าไปกับท่านพระอาจารย์เฉลิมนี่แหละที่นั่นนั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อไปด้วยกันสององค์ไปกับรถรื่นในถนนฝนตกเลยท่านก็เลยประสบอุบัติเหตุอย่างพวกเราทัา้งหลายได้ทราบสรุปแล้วก็คือท่านตายในหน้าที่แต่ถึงอย่างไงก็ตามท่านก็ตายกับผ้าเหลือง่ามือนนจะ เป็นศักดิ์สีอย่างมากเป็นสงาาส่าราศีเป็นที่ยอมรับของพี่ๆน้องๆที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านที่มีอายุพรรษาเหนือท่านแล้วก็เป็นที่น้องๆ อ, อายุน้อยพรรษาน้อยกว่าท่านก็ให้ความเคารพนับถือหรวให้เกียรติท่านตายในหน้าที่ท่านเป็นผู้ทำหน้าที่แทนพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าสถานีขององค์หลวงตา เดี๋ยวนี้ก็มีหลายจังหวัดเกือบทั่วประเทศาการที่มีสถานีวิทยุขององค์หลวงตามากมายที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินก็ปลาบปลื้มใจเพราะเหตุไรเพราะว่าได้ยินพี่น้องประชาชนมาจากจ า, กจากตุรทิศ ต, ต่างคนก็ต่างพูดให้ฟังบอกว่าได้ฟังสถานีวิทยุขององค์หลวงตาได้รู้ธรรมะแต่หลวงพ่อว่าเป็นยุคที่ เป็นผู้มีบุญวาสนาท่าว่าผู้ใดรู้จักการตักตวงการตักตวงธรรมะเพราะเหตุไรเพราะธรรมะไม่ใช่ของฟังได้ง่ายๆเพราะเหตุว่าธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์แต่ละองค์สายลูกศิษย์ลูกรรหาสายองค์หลวงปู่มั่นมิใช่ว่าจะมีแต่ธรรมเทศนาขององค์หลวงตาองค์เดียวมีหลายองค์ในสถาณีวิทยุมีครูบาอาจารย์ ยี่สิบกว่าองค์ตามที่ได้กำหนดเอาไว้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้ า, าว่ารู้จักวิธีเก็บวิธีตักตวงวิธีการฟังก็จะเกิดความรู้ความฉลาดอย่างมากเพราะนั้นพวกคณะสิทธิยานุสิ์หรือวเป็นลูกศิษย์ฝ่ายพระสงฆ์หรือฝ่ายครวาดจึงเห็นความสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทำคาสังสอนขององค์หลวงตาเพราะว่า พวกเราจะเฉลียวฉลาดจะเป็นคนฉลาดหรือเป็นพระที่ฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าหากว่าเราไม่ได้ยินได้ฟังจะเป็นผู้เฉลียวฉลาดขึ้นมานั้นไม่มีทางไม่มีทางที่จะเป็นไปได้พูดอย่างนั้นได้เพราะหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ท่านบอกเอาไว้ว่าสุดตามัยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการจินตนาการเมื่อได้ยินได้ฟังและจินตนาการไตรตรองเหตุและผลในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้แน่วแน่ทําจิตไม่ให้ควยแหว่งทําจิตให้สงบและจากนั้นเมื่อจิตสงบดีแล้วนาจิตที่สงบมาพิจารณา ออกไปพิจารณาใตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมาอันนั้นก็จะเกิดปัญญาปัญญาภาวานามยะปัญญานี้เป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาส่วนสุดตรมยะปัญญากับจินตามยะปัญญานั้นเป็นปัญญาทางโลกทางโลกของเขาเขาให้พิจารณาให้ฟังแล้วก็ให้พิจารณาแต่ในหลักของพระพุทธศาสนา ภาวนามยะปัญญาภาวนามยะปัญญาตัวนี้พระพุทธเจ้าสอนให้พวกพุทธรบริษัทสีของพงค์ให้รู้จักวิธีปิดและก็รู้จักวิธีเปิดวิธีปิดนั่นก็คือให้หยุดคิดวิธีหยุดคิดทำยังไงวิธีให้คิดคิดยังไงวิธีให้คิดคิดอะไรวิธีหยุดคิดนั้นทาอย่างไรอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนา แต่สําหรับทางโลกแล้วเขามีแต่ให้คิดอย่างเดียวให้คิดให้พิจารณาไตรตรองเหตุผลนั้นๆอย่างคณิตวิทย์อย่างเนี้ยหรือวิชาต่างๆที่พวกจะเป็นวิชาแขนงใดก็ตามในมหาวิทยาลัยโดยมากมีแต่ให้คิดทางนั้นให้ศึกษาให้อ่านให้ศึกษาแล้วก็ไตรตรองให้จดจําแต่ในหลักของพุทธศาสนานี่ยพระพุทธเจ้าให้หยุดคิด พวกเราได้ศึกษาได้เห็นได้รู้ไหมว่าวิชาทางโลกมีไหมที่ให้หยุดคิดไม่มีมีแต่ลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ค้นคว้าเมื่อสอง0ันกว่าปีท่านพระพุทธองค์ได้ทำจิตให้สงบนั่นนีน่แหละอันนี้เราคือวิธีหยุดคิดแต่เมื่อหยุดคิดเสร็จแล้วก็นำความหยุดคิดนั้นมาพิจารณาทางด้านปัญญา พิจารณาอะไรอย่างที่พวกเราได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พิจารณาอย่างพระที่บวชใหม่กับเกศาโลมาณคาทันตาตะโจอย่างนี้เป็นต้นนะและ ว, วันนี้หลวงพ่อจะได้มาเน้นหนักเรื่องท่านพระ อ, อาจารย์ชิดอีกทีหนึ่งนะท่านพระ อ, อาจารย์ชิดเคยอยู่ด้วยกันหลวงพ่อก็เคยอยู่ที่วัดปเบาบันตาดมีพระครูบาอาจารย์อยู่ที่นี่ หลายสิบองค์ว่างันเถอะหลายสิบอาจจะเป็นร้อยสองร้อยก็ไม่รู้อะเคยอยู่ร่วมกันเนี่ยที่วัดป่าบ้านตาดอย่างน้อยก็ไปมาหาสู่กันแต่หลวงพ่อเนี่ยเคยเข้าไปอยู่แต่สมัย2512นะแล้วก็ออกมา2525ั่ตวนอาจารย์ชิดเนี่ยก็คงจะเข้ามาไล่เลียกันในช่วงนั้นท่านมาอยู่เท่าไหร่ตามประวัติของท่าน 8-9 ปถึงปีนี่แหละ อันคือเป็นลุ่นพี่ลุ่นน้องที่อยู่ด้วยกันแต่ท่านชิดเป็นคนถ่าจะว่าไปก็เป็นคนใจร้อนส่วนหนึ่งแต่เป็นคนจริงจังนะคนจริงจังทำจริงทำจังส่วนหนึ่งถ้าว่าทำอะไรแล้วก็ไว้เนื้อเช่อใจได้ในหน้าที่การงานที่อยู่ร่วมกันเป็นคนที่เป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนจริงจังท่านหนึ่ง เดาว่าเป็ น, ร, นรุ่นน้องของหลวงพอ่อท่านก็มีอายุพรรษา29นะ29พรรษาแต่หลวงพ่อเนี่ยบวชก่อนเป็นพี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือทัพพีแช่ยอยู่ในหม้อกแกงหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้ยกย่องตัวเองนะบวชนานเขาว่าบวชนานดีก็ไม่ใช่นะถ้าว่าเป็นทัพพีจุแช่ยอยู่ในหม้อกแกงถึงจะนานเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ไม่รู้รสของแกงไม่เหมือนลิ้น ลิ้นเน่ยแต่เท่าไปรู้จักรถรถเผ็ดรถเข็มอย่างั้นจะเพราะฉะนั้นเราถือว่าอยู่กับครูบาอาจารย์นานเราจะว่าดีทีเดียวก็ไม่ใช่นะเหมือนกับเด็กนักเรียนน่ะ เ, เด็กนักเรียนถ้าเรียนหมอเขาให้เรียนหกปีนะจบ6ปีตัวเรียน12ปีอย่างนี้จะว่าตัวเก่งอย่างงั้นเหรอมันก็ไม่ใช่ที่เขาเรียนจบ 6ปีได้อันนั้นก็ว่านักเรียนผมว่าดีผมว่าเก่งแต่ถ้าว่าเรียนถึง12ปีเนะี่ยนักเรียนหัวถอยว่างั้นเถอะ เ, เรียนไม่ดีอันนี้ของเหมือนกันนะ่ะถ้าจะถือว่าอยู่กับครูบาอาจารย์นานดีทีเดียวก็ไม่ใช่แต่ถ้าว่าอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจดีเป็นผู้ปฏิบัติดีอันนั้นก็ดีเลิศประเสริฐอย่างพระอานนท์อยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนะ่ะพราะอานนท์อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่นานเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีได้ศึกษาได้ปฏิบัติรู้ทุกสิ่งทุกอย่างของพระพุทธเจ้าถ้าว่าไม่มีพระอานนท์พระธรรมวินัยก็คงจะไม่ยืดยาวถึงขนาดนี้อันนั้นแปลว่าผู้อยู่กับพระพุทธเจ้านานดีแต่ถ้าว่าเราคิดว่าเราอยู่ดีอยู่หลายปีดีอย่างนั้นก็ไม่ถูกทีเดียวหลวงพ่อว่านะเพนะนะราะนั้นอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็อยู่ กับองคหลวงตาเป็นเวลา10กว่าปีเดี๋ยวนี้ท่านชิดอายุพันษาของท่านก็่สิบาพันศานะแต่หลวงพ่อนะี่ก็ 42, เข้ามาแล้ว42อพันษาถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นพระผู้เท่าพอสมควรหร้วว่างั้นเถอะไม่ใช่น้อยใช่หนมแล้วนะหลวงพ่อนี่นะถ้าเป็นข้าราชการกับเกษียณอายุมาสองสปีแล้วอายุ60กว่าปีแล้ว เพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยถือว่าเป็นพระที่เกษียณอายุเป็นพระที่เกษียณแล้วงั้นเถอะถ้าจะพูดแบบโลกๆเขานะแต่ถึงยังไงก็ตามพี่น้องลูกหลานพระเนรทุกองค์ก็อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านตั้งอกตั้งใจอย่างที่ท่านชิดเป็นตัวอย่างนี่แหละท่านก็เป็นผู้ตั้งใจจริงๆนะหลวงพ่อว่านะ ไปดูฝีมือของท่านก็ได้ที่อำเภอน้ำหนาววัดวาศาสานาท่านที่หลวงตาไปซื้อที่ให้มอบความไว้วางใจให้ตั้งหมื่นกว่าไร่นะมอบให้ท่านชิดกับอาจารย์เฉลิมเนี่ยอาจารย์เฉลิมกับอาจารย์ชิดเนี่ยที่ท่านซื้อที่ดินให้หมดไปตั้งเกือบสิบล้านเนะ่ที่ท่านซื้อที่ให้ท่านซื้อให้เพื่ออะไรหลวงตาเป็นผู้มีเมตตาต่อสัพพสัต คือท่านซื้อให้เพื่อมาให้ป่าตรงนั้นถูกบุกลุกถูกตัดถาดขางาท่านก็ซื้อให้เป็นให้ทั้งสององค์เป็นผู้ดูแลครอบครองให้ดูแลเอาไว้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะไม่ให้มันตัดถ้าว่ า, าชาวบ้านเขาถางลงตัดป่าเกินไปก็ทําให้แห้งแล้งเพราะนั้นท่านจึงหลงตาจึงได้เสียสละทุนทรัพย์ซื้อที่ให้ พระอาจารย์ทั้งสององค์เป็นผู้ดูแลหลวงพ่อว่าหลวงตาในคิดไกลและกับพร้อมกันก็ทั้งสององค์เป็นผู้มีบุญวัดาสนาพอสมควรที่จะคุ้มครองเนื้อที่เป็นหมื่นไร่ขนาดนั้นได้แต่ถ้าว่าคุ้มครองไม่ได้เขาก็คงจะแย่งชิงเข้ามาอีกเหมือนกันแต่นี่ท่านก็ดูแลรักษาอย่างสุดความสามารถก็แต่เป็นที่ยอมรับของ หมูของเพื่อนทุกๆองว่าท่านเป็นผู้มีความสามารถตกหน้าแรงท่านรักษาอย่างไงท่านก็ไม่ใช่อยู่เฉยๆนั่นก็ต้องว่าจ้างคนขี่รถล้อมรอบเพื่อไม่ให้ไฟไหม้ป่าไม่เข้ามาในที่ของท่านเป็นหมื่นไรนะ่แต่บางองค์เนื้อที่วัดของตัวเอง 10-20 ไร่ก็ยังรักษาไม่ได้เพราะงั้นแตไฟยังไหม้วัดแต่นี้ท่านรักษาเป็นหมื่นไร่หมื่นกว่าไรนะ่ หลวงพ่อว่าเนี่ยคือความสามารถของสององค์ที่ท่านชิดเป็นผู้รักษาเนี่ยหลวงพ่อนึกชมอยู่ในใจเหมือนกันนะนะว่าพี่น้องของเราเป็นผู้ดูแลรักษาป่าไป ด, ดูวัดไหนเห็นวัดไหนโดยมากพี่แต่หมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์รักษาโรงป่าป่าโรงพงไผ่ตลอดถึงองค์หลวงตาที่ท่านประกาศช่วยชาติที่ผ่านมา ท่านก็ะระลมทุนทองคำํำพวกคณะสิทธิ์หลุนน้องรุ่นนี้แหละ อ, อาจารย์บุญมีอาจารย์เฉลิมอาจารย์ชิดอาจารย์นพดนลหลายองค์หลวงพ่อไม่สามารถที่จะบรรยายได้สรุปแล้วก็คือเป็นพี่พี่น้องๆต่างคนก็ต่างออกอช่วยะระดมทุนแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนจัด สถานที่เวทีให้องค์หลวงตาเป็นผู้แสดงธรรมอันนี้ก็พวกท่านเหล่านี้เป็นกำลังหลักของหลวงตาเหมือนกันจนประสบความสำเร็จได้ทองคําถึง11ตันกว่าจะหาได้ที่ไหนครูบาอาจารย์รุ่นไหนพวกเราคิดดูก็แล้วกันองค์หลวงตาท่านเป็นประมุขเป็นประธานเป็นหลักของสิทธินุสิ์ท่านคิดไม่ได้คิด ใกล้ๆนะหลวงตานี่คิดไกลมากเลยคิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองอย่างที่ท่านสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โลกก็เหมือนกันใถ้าว่าพวกเราฟังสถานีวิทยุของหลวงตาจะได้ยินบ่อยๆว่าหลวงตาไปสงเคราะห์ที่ไหนบ้างแต่ละครั้งแต่ละวันบางทีโรงพยาบาลซื้อเครื่องไม้เครื่องมือการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือให้แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อพูดเลยนะ บอกว่าผู้ที่จะซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้มีจิตใจต่ําเป็นผู้มีจิตใจอันสูงส่งมากเพราะท่านผู้ใดซื้อเครื่องมือให้แก่โรงพยาบาลท่านไม่ได้มุ่งหวังหน้าตาราบยศอะไรทั้งหมดท่านมีแต่ช่วยสงเคราะห์โลกเพราะหมอแต่ละโรงพยาบาลไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับช่าง อ, อ, อู่ซ่อมรถไม่มีเครื่องมือที่จะซ่อมรถ รถคันไหนวิ่งเข้ามารถดีขนาดไหนพอวิ่งเข้ามาแล้วเครื่องมือไม่มีและจะทำยังไงมีกุญแจปากตายปากเป็นอยู่สองสาตัวคีมล็อกอยู่ตัวสองตัวลดราคาเป็นล้านๆจะทำยังไงหมุนไปหมุนมาผู้ที่เป็นเจ้าของรถก็คงจะไม่สบายใจเหมือนกันเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือไม่ไม่พอไม่ดีพอแต่ถ้าหากว่าอู่ใดก็ตาม มีเครื่องมือพร้อมพอรถวิ่งเข้าไปตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดออกมาเจ้าของก็ดีใจภูมิใจว่าโอเครื่องมือเขาเขาทันสมัยจริงๆรถของเราถึงจะเป็นยังไงเราก็ยต้องยอมรับว่ารถของเราซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้เพราะเครื่องไม้เครื่องมือเขาทันสมัยอันนี้ก็เหมือนกันโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทขนาดเตียง ก็ยังหาจะไม่เพียงพอเครื่องไม้เครื่องมือที่สําคัญเครื่องผ่าตัดเครื่องตาเครื่องอะไรที่หลวงตาช่วยไม่ใช่ทีละน้อยนะบางทีเป็น10บล้านก็มีสองสล้านก็มีพวกเราจะได้ยิ น, เ, นยเพราะฉนั้นที่ท่านทําไปในท่านทําเพื่อใครทาเพื่อหลวงตาใช่ไหมหลวงตาต้องการลาบยศเสรเสริรให้คนเยินยอใช่ไหมหลวงตาไม่ได้คิดอย่างนั้นหลวงตาทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ หลวงตาเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนมนานเพราะนั้นท่านมองเห็นพอท่านพอที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้หลวงตาท่านก็รับจากท่านท่านก็ให้เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่างๆเกือบจะทั่วประเทศไทยไม่ว่ารถอเอ็มบลงเอมมบลแลน์รถตู้รับคู่คนเก็บไข้ได้ป่วยพวกหมอพวกคณะหมอทั้งหลายที่เขาไปขอหลวงปู่นะ อย่างรถอย่างรถูอรถตอย่างนี้เขาก็พูดเข้าท่าเนียหมอนะโอ้ยลงตาเอ้ยรถพวกกับผมเนี่ยมันสุดโสมพอแรงแล้วใช้มาเกือบสิบปีแล้ว เ, เวลารับคนมามาถึงครึ่งทางารถก็มาตายซะามาไม่ถึงโรงพยาบาลคนป่วยก็นอนอยู่ในในรถ แไม่รู้ว่าจะพาดยังไงบางทีก็ได้หามคนป่วยขึ้นรถอีกคันหนึ่งมาส่งต่อเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าลงตายจะเมตตาแต่พวกกับผมก็อยากจะได้รถตู้สักคันเอาไปใช้กับโรงพยาบาลเขาอ้างเหตุผลมาอย่างนั้นลงตาก็เออเอาให้โดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยออมันจําเป็น หลวงตาท่านก็ให้โรงพยาบาลให้ลดลักษณะอย่างนั้นส่วนเครื่องมือแพทย์นี่คือเครื่องผ่าตัดบ้างเครื่องตาบ้างเครื่องเอ็กซเรย์บ้างเครื่องตรวจเลือดบ้างไรหลายๆอย่างหลวงพ่อว่าเมื่อท่านให้ไปแล้วท่านก็ไม่ได้คิดว่าเอออันนี้เครื่องมือของหลวงตามหาบัวนะ่นี่เขาก็ไม่ได้ประกาศมีแต่คนทั้งหลายไปรักษาโอเครื่องมือเขาผ่าตัดดีมาก หายจากโรคภัยหมอเขาดีมากหมอก็มีเครื่องมือดีเนี่ยเขารักษาเราดีหายจากโรคอย่างเนี่ยเขามิแต่ชมเท่านั้นเองแต่เขาไม่ได้คิดว่าเนี่ยเครื่องมือตัวนี้มาจากไหนองค์หลวงตาเป็นผู้ซื้อให้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อว่าผู้ที่ซื้อเครื่องมือให้แก่โรงพยาบาลเป็นผู้มีจิตใจสูงคือไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นมุ่งหวังแต่ว่าจะช่วยเหลือชุมชนประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเท่านั้น เพราะฉะนั้นหลวงพ่อว่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจะทอดผ้าป่าองค์หลวงตาวันพรุ่งนี้ที่จะถึงก็คือให้ถวายองค์หลวงตาเพื่อให้หลวงตาช่วยสงเคราะห์โลกซื้อเครื่องไม้เครื่องมือโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างถ้าเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นมากมายทีเดียวที่องค์หลวงตาช่วยสงเคราะห์โลก อันนี้ก็คือการสงเคราะห์ อ, คองค์หลวงตาแล้วก็ท่านช่วยซื้อที่ดินให้แก่วัดของท่านชิดน ะ, ะที่หลวงพ่อได้กล่าวออมาไม่ว่าจะวัดท่านชิด ว, วัดหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกันทุกวันนี่ก็คือที่ท่านองค์หลวงตาไปสร้างกำแพงให้หลวงพอ่อพันกว่าไร่เหมือนกันที่วัดน ะ, ะนี่แหละ หลวงตาถ้าหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพวกเราเขไม่รู้ว่าหลวงตาได้เงินมาแล้วสงเคราะห์อะไรบ้างถ้าหาว่าหลวงพ่อพูดเนี่ยก็เหมือนกับหลวงพ่อขี้อวดแทนหลวงตาบางนั่ะแต่ไม่ใช่นะพูดให้ฟังพวกเราในฐานะศิษยานุศิษย์บางคนก็ปราหมาดหลวงตาว่าได้เงินมาแล้วทําอย่างนู้ทำอย่างไงแต่ตาไม่ยิงท่านไม่ให้ทําอะไรหรอกมีแต่คนโง่ๆเท่านั้นเองไม่รู้จักว่าหลวงตาช่วยอะไรบ้างแต่ถ้าว่าเราคิดดูให้ดีแล้ว ไตรตรองให้ดีแล้วลุงตายมีแต่ช่วยสงเคราะห์โลกให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้นที่ท่านทำออกไปท่านไม่ได้มุ่งหวังเพื่อท่านเลยตลอดถึงธรรมเทศนาของท่านที่อบรมทั้งวันที่พวกเราได้ยินได้ฟังธรรมเทศนาในสถานีวิทยุโทรทัศน์อันนี้ก็เหมือนกันเป็นการเผยแผ่ธรรมะให้แก่ชุมชนและสังคมให้หูแจ้งตาสว่าง อาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะเป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ไม่มีทางเรื่องธรรมะนี่นะต้องศึกษาแต่บางคนก็พอได้ยินได้ฟังขึ้นมาแล้วก็ยังมาถกเถียงยังมากันแนะกันแหนะอะไรลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ตามไม่จริงมันเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของความคิดความเห็นก็ไม่ว่ากันแต่ว่าตามไม่จริงความคิดความเห็นทุกคนก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหละ แต่ว่าความคิดความเห็นนั้นควรจะไตรตรองพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลดีๆซะก่อนยังค่อยพูดออกไปก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าคิดขึ้นมาแล้วคิดว่าตัวเองถูกทั้งนั้นคนอื่นผิดทั้งนั้นมันก็ไม่ได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ให้ให้รวมให้ระวัง ส่วนหมูพวกเพื่อนครูบาอาจารย์น้องๆพวกองค์ก็เหมือนกันนะก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่แหละองค์ตาของเราเนี่ยเป็นผู้ดําเนินมาคงเส้นคงวาเมื่อวานวันก่อนผมเองก็เข้าไปกราบองค์หลวงตานะท่านพูดขึ้นมาหน้าฟังไม่ใช่หน้าฟังตลอดนะองค์หลวงตาพูดแต่ท่านก็เตือนเตือนว่าออ เราไปวัดนั้นวัดนี้ท่านนั้นน่ะอายุพรรษาก็มากแล้วนะเวลาลงอุโบสถนะ่ะทำไมลงอุโบสถไม่ไม่สวดพระปฏิโมฯลงอุโบสถแบบยอ่อทั้งที่พระในวัดก็มีมากทำไมขี้เกียจถึงขนาดนั้นเออทำไมขี้เกียจถึงขนาดนั้นทำไมไม่ลงอุโบสถสวดให้จบมันทำไมมันอยู่มันชังกระตายอย่างไรไะ อันนี้คือองค์หลวงตาท่านท่านพูดนะแต่ผมเองผมก็ไม่ได้ถือว่าท่านพูดให้ให้แก่องค์นั้นองค์นี้ท่านนั้นทะ่านนี้นะผมก็ถือว่าเอออันนี้เป็นตัวอย่างท่านคงจะพูดว่าอ่าท่านอินเอ้ยถ้าว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อเป็นผู้เท่าขึ้นมาท่านจะไปถืออย่าไปขี้เกียจมักง่ายนะอย่าไปเยยบย่ำทำลายพระพุทธศาสนานะ่าไปเยยบย่าทาลายพระพุทธเจ้านะ ทำไมขี้เกียจถึงขนาดนั้นปฏิโมก15สิบห้าวันยังไม่ฟังให้จบยังสวดปฏิโมกย่อเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของพระของเนรท่านคงจะสอนกระผมเองกระผมก็บเออท่านไม่ได้สอนใครอื่นสอนเราอันนี้ก็ควรจะระมัดระวังเหมือนกันเราควรจะระมัดระวังหลักคำวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเรื่องศีลของพระนี่กระผมว่าพวกเราทุกอง ควรจะศึกษาเพราะเป็นพื้นฐานถ้าว่าฐานดีแล้วพื้นฐานดีแล้วเหมือนกับพื้นสะพานอย่างนั้นน่พื้นอาคาร่าเนียพื้นเจดีเนี่ยพื้นฐานลงเข็มดีแล้วจะสร้างเจดีขึ้นสูงขนาดไหนก็ได้แต่ถ้าว่าพื้นฐานเจดีไม่ดีพื้นมันสดนะจะสร้างเจดีขึ้นไปก็คงจะสร้างไม่ได้อันนี้คงเหมือนกันถ้าว่าศีลของพระของเนน ศีลไม่ดีพื้นฐานไม่ดีสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยศีลเป็นผู้ไม่ดีจะนั่งสมาธิก็จิตใจจะเข้าสู่ความสงบได้ยากเพราะเหตุไรเพราะศีลไม่ดีถ้าศีลดีแล้วสมาธิก็ดีสมาธิดีแล้วปัญญาก็ดีเพราะมันไปด้วยกันถ้าว่าศีลไม่ดีสมาธิเวลานั่งภาวนาก็วิตกกงังวล ว่าเราได้ทำผิดอะไรมาบ้างวันนี้เราทำไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรอันนี้แปลว่าเป็นผู้พวักพบุนเป็นผู้ไม่เชื่อมั่นในตนเองแปลว่าศีลไม่บริสุทธิ์ศีลด่างพลอยเรานั่งสมาธิก็จิตใจเข้าสู่ความสงบไม่ได้ได้ยากจากนั้นจะพิจารณาเมื่อจิตไม่สงบจิตไม่เป็นหนึ่งจิตไม จิตยังหิวหหยอยู่ว่างั้นเถอเราจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นไปได้ยากเพราะนั้นสินสมาธิปัญญาถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนเชือกสามเกียวถ้าเหมือนกับต้นไม้ก็เหมือนเปลือกกับพีแก่นเปลือกคืออะไรเปลือกก็คือสินกับพีก็คือสมาธิแก่นก็คือปัญญาแต่เราจะไปปลูกแก่นทีเดียวต้นไม้เอาแก่นมาทีเดียวก็คงไม่ได้ มันก็ต้องเปลือกให้เป็นต้นซะก่อนพอต้นขึ้นมาเกิเป็นเปลือกเป็นเปลือกกับเป็นกระพี้ต่อไปมันก็เป็นแก่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านควรจะศึกษาอย่างยิ่งกระผมว่านะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านพวกพระน้องทั้งหลายก็ยให้ศึกษาให้ปฏิบัติให้ยึดมั่นในตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรใน บทธรรมของท่านธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลายเล่มมีหลายองค์ที่พวกเราจะได้ศึกษาเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านทั้ง อ, อกตั้งใจศึกษาในหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราเดินตามหลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วมีแต่แต่ความเจริญรุ่งเรืองหมาไม่กัดเหมือนหมาไม่กัดเพราะเหตุใดเพราะว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกป้องพวกเราแต่ทางว่าพวกเราเดินออกนอกลู่นอกทางเดินออกนอกพระธรรมวินัยแล้วมีแต่ความหายนะ์จะเข้ามาสู่พวกเราเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่างพวกเรามาในวันนี้ก็แสดงพลังคือความพร้อมเพียงสามะคัคคีคือท่านชิดกับเป็นมูเป็นเพื่อ น, เ ป, น, นอเป็นน้องเป็นนุ่งของพวกเราเมื่อท่านตายไปแล้วพวกเราก็ถึงจะยุน ป่าดงพงไพายห่างไกลขนาดไหนก็อุตสามาพร้อมหน้าพร้อมตาผมเห็นพวกหมู่พวกเพื่อนพวกน้องนุ่ทงทั้งหลายก็อบอุ่นใจอย่างมากเลยวันนี้เพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราทุกๆท่านมาพร้อมหน้าพร้อมตากันจริงๆขาดน้อยมากถ้าองค์งไหนที่ไม่ได้มาผมก็คิดว่าท่านก็คงไม่สบายมีติดธุร ะ, ะไม่สบายอาจจะมาไม่ได้ แต่พวกที่พอที่มาได้นะผมเกือบเห็นพร้อมหน้าพร้อมตากันก็ขอให้เป็นอย่างนี้ละ่ะพอเหตุไรเพราะว่าท่านชิดเองท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะล้มหายตายจากเร็วขนาดนี้เพราะความตายไม่ได้เลือกการเวลานะผมพูดวันที่ทเอาศพท่านชิดมานะผมบอกกับหมูพวกเพื่อนว่าข่าวนี้ตาข้าข่าวหน้าตาเอง ข่าวนี้ตาค่าข่าวหน้าตาเองคือทุกคนที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยพร้อมที่จะล้มหายตายจากได้ทุกคนข่าวนี้เป็นตาของท่านอาจารย์ชิดว่างั้น่ ะ, ะข่าวหน้าคงค ง, งจะเป็นตาของอาจารย์อินน ะ, ะลักษณะอย่างนั้นอ่ะหลวงพ่อไม่ปฏิเสธในเรื่องเหล่านี้แน่นอนทีเดียวเกิดมาแล้วจะหลีกลีหนีไม่ไม่พ้น คนนั้นพวกเราให้จมเรื่องเตรียมคาถาไว้ก็แล้วกันนะตอตอตอตอตอตอตอให้เตรียมเอาไว้เตรียมตัวตายมัากันแต่ให้ให้เตรียมไว้เตรียมตัวตายจะทํำยังไงเตรียมตัวตายก็ต้องเตรียมการสร้างคุณงามความดีไม่ใช่เตรียมหีบเตรียมโลงนะโลงศพเราไม่ต้องเตรียมก็ได้แร้วเมื่อเราตายไปแล้วเขาจัดการเองเรื่องหีบเรื่องโลงแล้วนะแต่ว่าเตรียมตัวตายนี่คือเตรียม สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ เ, เกิดมาพบหน้าชาติหน้าถ้าว่าเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่มันต้องเกิดอีกอจะทำยังไงจึงไม่เกิดอีก อ, อย่างที่พระพุทธเจ้าพาค้นคว้าในสมัยนู้นสมัยนู้นหลวงพ่อว่าพระพุทธเจ้าของเราหรือว่าคนในยุคสมัยนั้นเขาก็คงจะสงสัยเหมือนกับยุคสมัยของพวกเรานี่แหละพวกเรานี่ยุคนี้สมัยนี้ก็เออตายแล้วเกิด เกิดจริงหรือเปล่าวะตายแล้วศูนย์ศูนย์จริงหรือเปล่าวะบาปปุลคุณโทษมีจริงหรือเปล่าวะอันนี้ก็คือความสงสัยในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายในยุคสมัยครั้งพระพุทธเจ้าหลวงพ่อว่าก็คงจะเป็นลักษณะไม่แพ้พวกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไม่สงสัยท่านก็คงจะไม่ออกบวชไม่ค้นคว้าเพราะนั้นท่านอยู่ในเวียงในวงังมีความสนุกสุขสบายจนพอ จว่าเกินกว่ามนุษย์ในยุคสมัยนั้นเหมือนกัน hey, มีว่าพร้อมหมดทุกอย่างเป็นพระเจ้าแผ่นดินอายุถึง29ปีมีอัคมเหสีมีบุตร hey, มีพ่อมีแม่มีวงสาคณาญาตมีพ่อบรมวงสานวงจากนั้นท่านเต็มเปรียบก็ ว, ว่าสมบูรณ์ทุกอย่างในช่วงนั้นท่านเสียสละออกไปบวชไปอยู่ในป่าทั้ง6ปีการไปอยู่ในป่านั้น ไม่ใช่ว่าท่านไปไปสวยความสุขแต่บางคนก็เข้าใจว่าศีรษะหนีออกไปไปหลบปลีกไปหาความสุขตามลําพังคนเดียวหนีจากลูกหนีจากเมียหนีความรับผิดชอบอันนั้นหลวงคอว่าคิดไม่ถูกคิดผิดควรจะคิดใหม่ว่าะฉะนั้นคิดแบบนั้นคิดแบบโง่ๆที่พระพุทธเจ้าออกไปอยู่ในป่านั้นท่านไปทําอะไร ท่านไม่ได้ถือจอบถือเสียมท่านไม่ถือปากกงปากกาท่านไม่ได้ถืออาหงอาหารคลังอาหารไปด้วยท่านไปแบบอนาถาไปขอทานกินเหมือนกับพวกเราเป็นพระอย่างนี้นไปอยู่ในป่าถึง6ปีแถมยังอดพระกายอาหารถึง49วันอีกล่างกายจนเกือบเอาตัวไม่รอดอันนั้นเหรอเป็นผู้ส ะ, สะแสวงหาความสุขพระพุทธองค์ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านค้นคว้าศึกษาทางด้านจิตใจของพระองค์จนตัดสู้ธรรมวันเดือนหกเพนวันเดือนหเพนท่านจึงได้ตัดสู้ธรรมวันตัดสู้ธรรมนั้นเป็นยังไงพวกเราศึกษาให้ดีวันตัดสู้ธรรมคือพระพุทธเจ้าสิทธัตถะนายโสธิยะนำญาคา8ปดกำรร ม, มือผ่านมาแลัทธถวายท่านสิทธัตถะท่านก็ได้ญาคา8กดก ม, มือ จากนายโสธิยะจากนั้นก็มาเกลี่ยลงที่โคนต้นโพนะต้นโพก็คงจะเป็นรากลอยมั่งรากตะปุ่มรากตะปั่มมันลอยขึ้นมาถ้าจะนั่งตามลําพังก็คงจะนั่งยากมันรากมันลอยโผล่ดินขึ้นมานี่นายโสติยะก็เห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลําพังก็คงจะนั่งลําบากแถวก็เลยเอาเอายาคามอบให้แก่ท่าน8ปดกำมือพอจากนั้นพอ8ดกำมือสิทธัตถะท่านก็เอาเกลี่ยลงที่โคนต้นโพ พ่อเกียรติองเสร็จแล้วท่านขหันหน้านั่งขัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายให้จำเอาไว้ว่ากรรมาฐานของพระพุทธเจ้าที่คืนที่ท่านได้ตัดรู้นั้นท่านภาวนาอะไร ท่านกําหนดอะไรท่านทํำยังไงใ ห, ให้จําเอาไว้พระพุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกพระอาทิตย์ยังไม่อัดจดงไอ้ในในพุทธประวัตินะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินวันนั้นนะ่ะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินศิทธัตถานั่งัสมาธิจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบนะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ความสงบได้นะ่ะ พวกเราได้ศึกษาว่ามีพยาบงมีพยามานเข้ามาลาวงลาวีท่านมีเสนามานมีลูกพยามานนางตันหาราคาอรารดีมาลบกวนสิทธัตถะในเย็นวันนั้นแต่พวกเราคิดดูอันนั้นเป็นปุกลาธิฐานหลวงพ่อว่านะสรุปแล้วก็คือนางลาคานางตันหานางคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคือสิทธัตถะท่านก็มีหัวใจของอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย พอนั่งขึ้นมาแล้็คิดถึงเวียงถึงวางถึงบริษัทบริวาลของท่านสนมนาลีของท่านลักษณะอย่างนั้นมันปั่นปวนมันรบกวนจิตใจของพระองค์พระองค์ก็ไม่รู้จะทำยังไงจนตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ด้วยชัตจบบรบารมีของเราเราจะไม่คิดอย่างนั้นอีกเพื่อความนั่งตั้งอกตั้งใจแน่วแน่ข้าพเจ้าจะกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออก พระ อ, องค์ก็ตัดขาดสู้กับพญามารได้ชนะจากนั้นจิตพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งก่อนที่พระอาทิตย์จะอัดสดงตอนหัวค่ําหรือว่าปฐมมายามจากนั้นจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งปุเพนิวาสานุสติญาณพระพุทธเจ้าระ ล, ลึกชาติผลหลังได้นะอันนี้แหละให้พวกเราศึกษาว่าตายแล้วสูญแล้วตายแล้วเกิดพระพุทธเจ้ายืนยันร้อเซต์แล้ ว, ว่าตายแล้วเกิดอีกไม่เป็นอย่างอื่น เพราะพระพุทธเจ้านั่งจิตสงบเข้าไปแล้วจิตนิ่งแล้วจิตสงบแล้วเกิดญาณทัศนะระลึกชาติผลหลังได้ถ้าหาว่าตายแล้วศูนจะระลึกได้ยังไงนี่แหละเพราะพระองค์ยืนยันว่าตายแล้วไม่ศูนตายแล้วเกิดอีกเรียกว่าปเาาุเพนิวาสานุสิทธิยานระลึกชาติผลหลังได้จุตูปปตาตญานตอนเที่ยงคืนพระ อ, องค์จิตเข้าสู่ความสงบลงไปอีกระลึกรู้จักว่าปิญญานิ มาจากไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่เรจะไปเกิดที่ไหนพระพุทธองค์ก็รู้อีกเนี่ยเรียกว่าจตูปปาตยานการจุติของสัตว์เ่ยพอจวนจะสว่างพระพทุทธองค์ได้ตัดสรุปธรรมอาสาวะขยยยานยานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วตัดกิเลสขาดไม่มีราคะโทสะโมหะในจิตใจของพระองค์จิตของพระองค์บริสุทธิ์แล้วท่านี้พระพุทธองค์ก็พิจารณาดูว่าใจตรงนี้เกิดมาจากไหนมาเกิดที่นี่ มาเป็นเราเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมาจากไหนพระโตองค์ก็นึกย้อนดูดูตัวตัวที่ว่าวิญญาณเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตัวอวิชชาอาวิชชาปัจยาสร้างฆากราอวิชชาเนี่ยเป็นพื้นฐานของจิตใจอวิชชาปัจจยาสร้างฆาราสร้างคาราปัจญาวิญญาณวิญญาณปัจญานามารูปังจนถึงโสกะปริเทวทุกโทมณสุ ป, ปายาตพวกเราเกิดมาจากความโง่จนถึง เช้าโศกร้องให้พี่ไร่รำพั น, นออกมาจากความโง่พระพุทธองค์เนี่ยท่านพิจารณาท่านก็ใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปบเน่ยคนะือศีลสมาธิปัญญาเข้าไปุงต้มเข้าไปถลงุง เ, เ, เข้าไปปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของท่านเข้าไปกำจัดใจของท่านเหมือนใจของท่านเหมือนกับมเมล็ดข้าวอยนะ่างนั้นเมล็ดข้าวเปลือกนะ่ะ เมล็ดข้าวเปิดมันพร้อมหมดทุกอย่างถ้าว่าถูกอากาศเชื้นถูกน้ําถูกอากาศเชื้นมันจะงอกขึ้นมาอันนี้ของเหมือนกันเพราะพระเดชจ้าวท่านว่าจะทํายังไงมันจึงไม่งอกท่านก็เอาไปตำสักไปเอาไปตําเอาไปบดเอาไปสีสัก็เทาะเปลือกมันออกตามันออกยังเหลือแต่ข้าวสารเป็นข้าวสารเอาไปปลูกที่ไหนก็ไม่เกิดเลยเพราะเหตุไรเพราะมันไม่มีเชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิด กำจัดออกไปแล้วอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านกำจัดเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของพระองค์เมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากใจแล้วจิตใจบริสุทธิ์ท่นี่ไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นอนันตการเพราะฉะนั้นหลักของพระพุทธศาสนานี่มีที่สิ้นสุดมีที่สิ้นสุดมีจุดจบได้ก็คือชำระใจ เพ น, นั้นพวกเราทุกๆท่านเนี่ยอยากยมทุกๆคนนะให้ศึกษาสรุปแล้วคือตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนถ้าว่าอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูญอ่ะพระพุทธเจ้าพายพิสูจน์อย่างไรพระพุทธเจ้านั่งสมาธิหันหน้าไปทางทิศตะวันออกกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละคือหลักพิสูจน์พวกเราอย่าไปหลับหูหลับตาเชื่อข้าพเจ้าไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อก็ไป เ, เกิดประโยชน์สําหรับคน คนพวกเราโง่ๆอย่างนั้นเพราะไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์แล้วจะไปปฏิเสธอย่างนั้นได้ยังไงเหมือนกับตาบอดปฏิเสธตรงนี้ไม่มีเหวกเดินไปกระตกสะตกบ่อตายได้เหมือนกันนะเพราะเหตุอะไรเพราะว่าสะหรือบ่อน้ํำมันไม่ไมปฏิเสธคนตาบอดน ะ, อะมันไปตรงไหนมันกระตกได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าเราไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อในบาป บ, บุญคุณโทษไม่เชื่อว่า ตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์ถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่เกิดประโยชน์สําหรับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเชื่อหรือไม่เชื่อให้พิสูจน์ดูก่อนตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านพาพิสูจน์มาแล้วก็มาแนะนําสั่งสอนพวกเราเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นําไปคิดไปไตรตรองพิจารณาเหตุและผลก็ปฏิบัติตามทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อว่าพวกเราจะเชื่อในภาคปฏิบัตินะ เชื่อในภาคปฏิบัติแต่หาว่าพวกเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วความเชื่อนั้นก็คงจะเลือนลางนะเหมือนกับเราได้อ่านแผนที่เขาเขียนแผนที่ว่าจากนี้ไปเมืองโคราชกันเนี่ยเราก็เห็นแผนที่แต่เราไม่ได้เดินไม่ได้เดินตามแผนที่พวกเราก็สงสัยแผนที่แผนนั้นอยู่เหมือนกันวันไหนก็สงสัยอีกอย่างเก่า เพราะเราไม่ได้เดินตามแผนที่แต่เมื่อไรเราเดินตามแผนที่แล้วพวกเราจะหายสงสัยอันนี้ก็เหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะปัจจับตังผู้ปฏิบัติเท่านั้นพอที่จะรู้ได้แต่นึกเดาเองนึกเด า, เานึกทั้งนึกทั้งเดาเอาทั้งคํานวณเอาหรือได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะได้เป็นเนื้อเป็นหนังของตนเองนั้นเป็นไปได้ยากเพราะนั้นพวกเราควรจะ นำทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินะวันนี้ผมได้พูดเสียยืดยาวคิดว่าจะไม่พูดยาวถึงขนาดนี้ละนา น, นานทีปีหนได้เห็นพี่พี่น้องๆก็อบอุ่นทางจิตใจจึงได้พูดเสียยืดยาวขอให้ครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนตลอดถึงพี่น้องประชาชนญาติโยมเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจ ชีวิตของพวกเราก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะอย่างลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าพวกเรารอวีซ่ากันอยู่ใครเกิดมาแล้วก็นั่นแหละย ม, มาทูดเขาก็เขียนวีซ่าไว้ให้เอานางนี้นายนี้เกิดมาแล้วเขาก็เขียนเขียนวีซา่าวันดีคืนดีเขาก็ส่งวีซ่ามาให้พวกเราพวกเราเมื่อได้รับวีซ่าแล้วก็จะต้องเดินทางต่างประเทศแน่นอนไม่ต้องสงสัย อาจารย์ชิดเนี่ยท่านได้รับปีซ่าแล้วท่านไปแล้ววันนี้อีกวันพรุ่งนี้เราก็ส่งขึ้นเครื่องแล้วงั้นเ่อะส่งขึ้นเครื่องแล้วก็เผากันละดวงวิญญาณของท่านไม่รู้จะไปที่ไหนล้วทีนถ้าว่าท่านมีเงินนะถ้ามีเงินติดกระเป๋านะท่านคนมีเงินก็คือคนมีบุญถ้าไปต่างประเทศคนมีเงินนะไปตกเมืองนอกเขาไปซื้อสิ่งซื้อของจับใจ่ายใช้สอยได้ไม่ตกทุกข์ใดยาก แต่ถ้างว่าเราไม่ได้เตรียมการเอาไว้ เ, เกิดมาพบนี้ชาตินี้มีแต่เที่ยวมิแต่เล่นไม่เชื่อบาบบุญคุณโทษอีกต่างหากาไม่เชื่อบาบามีบุญมีอีกต่างหากอยู่กินเป็นวันวันไปอพอตายไปแล้วก็ น, นั่นแหละเงินไม่มีในกระเป๋ า, าคือบุญไม่มีถ้าไปส่งไปต่างประเทศเอาอย่างไงท่านนี่พอลงจากเครื่องบินไปรู้จะหากินที่ไหนเพราะนั้นให้พวกเราเตรียมพร้อมเอาไว้นะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้ อย่าประมาทบุญญานิปรโล ก, กัจฉมิงปฏิทถาหนติปานินางบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนีิละโลกหน้าเพราะนั้นบุญกุศลหน้าสังสมเป็นอย่างยิ่งนะบุญกุศลหน้าสังสมอย่างยิ่งไม่ควรประมาทเพราะเราเกิดมาแล้วตายแล้วไม่สูญพิสูจน์ตามหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพายพิสูจน์มาแล้วนะาการพูดการ ให้สมมนิยกรถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรขออยุ่ติเพียงเท่านี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนนาไรายัยระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้ประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปราถนาทุกประการ